เขาเรียกว่าอะไรล่ะเราก็ประพฤติพรหมจรรย์นั่นแหละแต่ว่าเราเป็นอยู่ในเครื่องแบบห่มขาวนุ่งขาวห่มขาวอ่าชนี้รูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยก็มีอยู่หลายรูปแบบไงคุณโยมติ๋วบางคนก็เป็นนักบวชเปลือยกายบางคนก็เป็นนักบวชแบบไม่กนผมบางคนก็เป็นนักบวชนุ่งผมผ้าหนังสัตว์อย่างเงี้ยนะแล้วก็มีประเภทหนึ่งที่เรียกว่านักบวชแบบโกนผมเรียกว่าสมณะพระพุทธเจ้าตอนออกบวชเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเออนักบวชประเภทนี้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 อืมค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะจบช่วงของท่านพิบูรลนี่ฉันขอย้ําอีกครั้งกับท่านฟังทั้งหลายได้ไหมคะท่านคะขออนุ ญ, ญาต ใ, ในเวลานี้ที่จะเชิญชวนว่ายังอยู่ในห่วงเวลาแปดสิบสี่วันที่หลายภาคีองค์กร น, นะคะได้ไปร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ให้คนพูดชอบพูดสัมมาวาจาดังคุณสมบัติของสัมมาวาจาในมรรคของพระพุทธองค์ที่เราทราบกันอยู่นะคะไปแสดงเจตจานงว่าท่านเห็นด้วยกับหลักการพูดแบบนี้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 b e t h a i เขียนติดกันเลยนะคะ o r g เข้าไปที่นั่นและเมื่อพูดมาถึงตรงนี้จะมีของท่านไพบูลที่ส่งคำถามไปได้ก็ที่ p i e t t h o m a s .dot com /106 ค่ะสำหรับวันนี้เราใช้เวลากันมา <Ee> พอสมควรแล้วนะคะนำมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ไพบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะิแ ล, แล้วก็ส่วนเราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้พุทธสวัสดีค่ะ